สองนี้ทุกขสมุทัยความเพลิดเพลินในสิ่งนี้นี่คือเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกแต่ถ้าใช้คำว่าสมุทัยนั่นต้องบวกกรร ม, มสกตาเข้ามาด้วยเพราะอย่าลืมว่าการพิจารณาอริยสัจถ้าไม่มีกรร ม, มสกตานี่จบเล ย, ยจบเฮเลยนะไม่ต้องรู้เรื่องกันแล้ ว, ลวก็กลายเป็นว่าคิดแล้วโทสะคืออย่างที่กล่าวว่าการพิจารณาอริยสัจนะไม่ใช่เป็นโลภะ ห้ามชอบแต่ห้ามชังสูตรเขาว่ากําจัดอภิชาและโทมนัตใช่ไหมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัตเนี่ยฉั้นการพิจารณาอาริยสัจดังกล่าวไปเนี่ยต้องไม่มีอภิชาไม่เข้าไปเพลิดเพลินในวัตถุนั้นแต่ไม่ใช่โกรธ ว, วัตถุนั้นนะแต่นี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกข์ <researchers> <backwards> ความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้คือเหตุแห่งทุกข์ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปเนี่ยนะ อภวตตะอนิมิตตะอนายยหณะเป็นต้นน่ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปสงบระงับจากสิ่งเหล่านี้เรียกว่าหลีกออกจากสิ่งเหล่านี้ได้นั้นทุกขณิโรธหรือสงบระงับดับสิ่งเหล่านี้ได้นั้นทุกขณิโรธใช่ไหมแต่ถ้าทุกขณิโรธนั้นยอมมองไม่เห็นจริงๆบอกนี้อธิสีและสิกขาใช่นี้อธิจิตตสิกขานี้อธิปัญญาสิกขา ถ้าเราระลึกอย่างนี้ไม่ได้นะเราก็ไม่รู้ว่าเราศรัทธาพระพุทธเจ้าตรงไหนเหมือนกันก็จะกล่าวว่าไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้มีแต่ว่ามันน้อยเกินไปที่จะเอามาเจริญเอามาใช้เป็นเรื่องเป็นราวได้นะครกว่าถ้าเป็นย า, ยาก็มียาอะไรได้ดมแต่กลิ่นยาเฉยเฉยมันไม่ได้รัประทานยาสักทีหนึ่งมันก็ต้องหมั่นระลึกอย่างนี้นะเพื่อประกาศว่านี้สัจทินสของเราที่เรามีว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนี้ตรัสรู้ดีแล้วหนอ หรือคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าถ้าเห็นชราเห็นมรณะน่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่สุดแห่งชราและมรณะใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่สุดแห่งชราและมรณะอันเห็นก็เรียกว่าเห็นสัตว์เห็นผู้ชราทั้งหลายเนี่ยนึกอย่างนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าเห็นที่สุดแห่งชราและมรณะคือสิ่งที่มันตรงกันข้ามหมดเลยอันก็มานสิการได้เลยใช่ไหมก็ เห็นคนไข้เมื่อไรจานแดงก็นึกเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่สุดแห่งชราและมรณะนะนึกอย่างนี้ก็อย่างดีนะถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ชรากับมรณะเราก็เออเราก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยแต่มันพิเศษกว่าเราคือพระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้ที่สุดแห่งชราและมรณะว่าพ้นจากสภาพเหล่านี้เลยอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมนสิการขันใดก็ตามเนี่ยนะบอกพระพุทธเจ้ารู้ที่สุดแห่งสิ่งนั้นอะ นั้นมองเห็นอาจารย์มินิปัพระพุทธเจ้ารู้ที่สุดแห่งสิ่งนี้อย่างนี้ก็ได้นะคือพอให้น้อมน้มไปหาเอ็นิโรสัจจะบ้างนะโดยโดยอัธยาศัยเนี่ยให้รู้สึกน้อมนอมไปบ้างถ้าไม่รู้สึกน้อมอย่างนี้นะก็ อ, อย่างว่านะพระก็ไล่เล่าให้ฟังนี่แหละเผื่อจะได้ช่วยๆกันน้อมบ้างอันนะน้อมเห็นแล้วบอกบ้างเน้อแน่เลยจะเกิดการเกณฑน้อมไปเห็นก่อนเขาจะว่างไงนะ เนี่ยนะเผิดเผื Nowadays, ่อเผื่อหัวใจมันจะเลิกเต้นเมื่อไหร่ก็คุณบรญชูนน้อมเออเนี่ยใช่เลยอย่างเงี้ยนะไม่แน่นะชีวิตสมะสีสีใช่ไหมนะจุติกับบรรลุเนี่ยใกล้เดียวกันเนี่ยใครจะไปรู้เรานะก็พยายามนึกอย่างเงี้ยที่สุดแห่งชราและมรณะหรือไม่ถ้าเราเราคิดอย่างนี้ก็ได้ถ้าปวดขึ้นมาเนี่ยนะความเจ็บปวดใดใปรากฏในทวารต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้ที่สุดแห่งสิ่งเหล่านี้ คือให้เห็นว่าเรามีสัจทินรีต่อพระพุทธเจ้าบ้างอะนะไม่ใช่เออเนี่ยมันทุกข์กับเรื่องของเราไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเรื่องของพระเลยถ้าอย่างนี้ก็ห่างพระตัตนตรัยมากไปอย่างนี้แ้วเห็นอะไรก็เออพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่สุดแห่งสิ่งนั้นแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดก็สอนให้เห็นที่สุดแห่งทุกข์เหล่านั้นนะนะอันนี้เราจะได้เห็นถ้าทำคําสอนของพระองค์ไหมว่า ที่พระ อ, องค์สอนถึงจะปีดกสามมากมายโดย 84,000 พันธรรมขันต์ก็ตามพระพุทธเจ้าก็สอนเพื่อให้เห็นที่สุดแห่งชรา ม, มรณะเห็นที่สุดแห่งทุกเหล่านี้นีแ่แหละหมู่พระสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติปฏิบัติกันอืเอาเป็นเอาตายเป็นต้นเนี่ยนะสละทุ่มเทบริจาคทุกอย่าง ก็เพื่อจะทําที่สุดแห่งทุกเหล่านี้ท่านก็ปฏิบัติเพื่อเห็นสิ่งนี้นะที่เรียกว่ายาญาติปันโนภะวะโตสาวะกสังคโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วนาะเหมือนกันเราก็จะได้นึกว่าเออเนี่ยเพื่อเพื่อแทงตลอดชรามอรณ์นิโรดนั่นเองแล้วก็มาละลึกเเห็นแล้วเออะสง์เราเราพอจะพอจะนึกได้ว่าเออท่านเจริญอะไรกันพระพุทธเจ้าแต่สรู้อะไรท่านสอนอะไร โมพระริยะสงทั้งหลายท่านปฏิบัติอะไรกันเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้เรียกว่าสมาทานที่จะประพฤติพระองคตว่าสุ ป, ปะพุทธกุฏธธิเนี่ยสมาทานสัตถินสีสม า, าสทานศรัทธาอันนี้ขึ้นสมาทานเลยว่าทุกคนทุกแห่งทุ ก, ท ก, ท ก, ท ก, ทกอารมณ์นี้จะเห็นคุณพระพุท ธ, ธเจ้ากุตูเจนทั้งง่วงงเนี่ยนึกถึงยังไงพระรัตนตรยัยว่ามีสัตทินสีได้ยังไง มานาศการเนี่ยขณะง่วงเนี่ยเอามาเห็นพระพุทธธรรมพระธรรมพระสงฆ์ได้ยังไงเมื่อกี้ให้แนวไปแล้วถ้าจะเอาแนวไหนแนวในภาษาอีสานก็รักหมายถึงพันพืชพัน <c oughs> ในนะอเออนั่นแหละเอางี้ก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่สุดแห่งความง่วงแล้วหน อ, อ <c oughs> พระธรรมคำสอนก็เพื่อให้ สอนทุกอย่างก็คือให้เลิกง่วงอะ่ะศีลสมาธิปัญญาก็เป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดเพื่อให้ดับความง่วงนั่นแหละก็พยายามน้อมไปอย่างนี้ก็ได้ว่าพราะองค์ตรัสรู้ตรัสรู้ที่สุดแห่งแห่งความง่วงนะความง่วงเนี่ยมันง่วงเพราะอะไรเพราะมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์นะจึงง่วงแต่ถ้ามีวิสังขาร เ, เป็นอารมณ์เนี่ยจะไม่ง่วงนะทีนัมิท่จะไม่มีอาศังขตธรรมเป็นอารมณ์ เนื ne, ่องจากเราปรารภสังคตะธรรมอยู่เนี่ยจึงง่วงปรารภสีเนี่ยจึงง่วงปรารภเสียงนี่จึงง่วงแต่ถ้าปรารภอสังคตะธาต์จริงๆจะไม่ง่วงเดือนีสีีหตอนนี้จะเลิกง่วงเพราะฉะนั้นถ้าหมั่นมนาิการไปที่อสังขตะธาตุนะบุคคลนั้นแทบไม่ง่วงเลยนะถ้าถ้าถ้าเห็นคุณของอสังขตะธาตุอยู่นะไม่ง่วงจริงๆแต่ถ้าไปคิดเรื่องอื่นเมื่อ่นะเอาละ เบอ้อขึ้นมาแล้วเอาแล้เพราะฉะนั้นอาสังคตะท่าปนี่ยเป็นธรรมเป็น ท, ที่ตั้งแห่งความตื่นอย่างยิ่งเลยนะก็รัว่าเออพระพุทธเจ้าตรัสรูธ้ธรรมะที่ที่สุดแห่งแห่งความง่วงนะนะแล้วก็คําสอนทั้งหมดก็เพื่อปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งความง่วงเป็นต้นเนี่ยนะก็ปรารภง่วงกันนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้บ้างก็ยังดีนะนึกถึงคําสอนว่าสอนก็เพื่อให้พ้นความง่วงนะนะแต่ก็หน้า ง, ง่วงงี้ๆกันนะโอ้โหเข้ากะห้าทุ่มไม่เลิกตีโมง กังวันก็ตลอนตลอนก็น่าเห็นใจนะแต่ว่าพยายามว่าเอ้ง่วงก็ให้นึกถึงคําสอนเอาไว้บ้างในตอนนั้นนั้นอ่ะนะเมื่อเมื่อใดก็ตามให้มันระลึกถึงพระรัตนตรายอย่างนี้แหละเรียกว่าสมาทานสั์ทินซีแต่ว่าเจอในอุทานเนี่ยชอบมากบอกให้สมาทานประพฤติศรัทธาขึ้นมานะไม่ใช่ว่าศรัทธานี่เกิดขึ้นเองแต่หมายถึงให้สมาทานขึ้นตั้งใจที่จะเจริญขึ้น เห็นคุณของพระพุทธเจ้าในในทุกทวารในทุกขนและและทุกแห่งแต่พระพุทธเจ้านะถ้าเราจะระลึกจําง่ายๆก็คือในฐานะผู้ตรัสรู้ทำที่ควรกําหนดรู้ตรัสรู้ทำที่ควรละตรัสรู้ทำที่คว ร, ร, รทําให้แจ้งตรัสรู้ทำที่ควรเจริญแต่ถ้าไปใช้คําว่าตรัสรู้ธรรมชาตินะมันก็มันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันแคบไปธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติ ธรรมชาติเนี่ยโดยสัมธรรมะเกิดชาติก็แปลว่าความเกิดขึ้นของธรรมทั้งหลายใช่ไหมแต่ที่จริงพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้อยู่เท่านั้นพระองค์ตรัสรู้ที่สุดแห่งธรรมชาติด้วยที่สุดแห่งธรรมชาติอย่างเช่นชรามรณะเป็นธรรมชาติใช่ไหมเพราะเป็นผลของการเกิดอะชรามรณะพระองค์ตรัสรู้ที่สุดแห่งชราและมรณะด้วยเมันพระองค์ก็เอาสิ่งเนี้มาสอน นั้นถ้าเราหมั่นละลึกอย่างนี้บ่อยๆก็น่าจะเห็นคุณพระรัตน์ตรายมากขึ้นอันนั้นแหละเรียกว่าสมาทานประพฤติสัทธิ์ศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จำต้องมีสมาทานประพฤติศีลเนี่ยจารีศีลกับวารีศีลเนี่ยนะว่าย่อๆนะสิ่งไหนที่เราต้องเวทเอ่อต้องงดเว้นสิ่งไหนที่จะต้องประพฤติขึ้นเนี่ยนะหรื อ, อ, อสังวรศีลอวีติกมะศีลเป็นต้นเนี่ยนะก็หมั่นมาปรารพบู เรียกว่าสมาทานประพฤติศีลและสัมปทาสมาทานศีลขึ้นแล้วก็สมาทานสุตะสมาทานประพฤติสุตะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําไว้อย่างไรมัางนี่นะเรียกว่าสมาทานสุตะ น, นีน่สุตะนะทบทวนนะสุตะถ้าพระพุทธเจ้าจะสอนสอนสอ น, ส อ, นอะไรก็สอนอปริญญาธรรมเป็นต้นนั่นแหละเราเอามาตรึกมาใคร่ครวนมองเห็นปริญญาธรรมเป็นต้นเหล่านั้นไหม นะอันนั้นรว่าสมาทานสุตะแต่สุตะมีอยู่สองประเภทสุตะแบบฟังด้วยหูกับสุตะแบบบรรลุนะบรรลุก็เรียกว่าสุตะชนิดหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าปฏิเวทสุตะนะันผู้ที่มีความเป็นผู้ส่อูสู่ถึงที่สุดเนี่ยนะโดยเฉพาะสัจชิกาตะปธรรมกับภาเวตะปธรรมเนี่ยนะแค่ทวานหูนี่เข้าถึงไหมมันเข้าไม่ถึงอยู่แล้วพัน การที่จะเข้าถึงสัจชิกาแตปรธรรมกับภาเวแตปรธรรมอันนั้นก็เป็นพหูสูตรแต่เป็นพหูสูตรแบบปฏิบัตินี่นะเรียกว่าพหูสูตรแล้วก็อย่างที่สี่นะสมาทานประพฤติจาคะจาคะแบ่งออกเป็นสองอย่างจาคะหยาบหยาบก็สละมหาพูดอะง่ายๆก็สละมหาพูดออกไปอันไหนที่แต่ว่าอันนี้ใช้แบบสัมนวนปรมาสนะนะใช้ธรรมดาก็คือเรียกสละทายธรรมนะ แต่ว่ารวมก็คือสละมหาพูดนั่นเองเห็นอะไรแล้วน้อมไปเพื่อการการให้อะนะน้อมไปเพื่อบริจาตแต่เชื่อไหมถึงไม่คิดจะให้นะมันก็ไม่อยู่กับเราเออนะจะเหมือนข้าวเนี่ยถ้าเรามีข้าวนะถ้าเราไม่ให้แล้วเราก็เก็บข้าวไว้เลยนะจะจะเป็นข้าวอีกกี่มือ้ออีกกี่ชั่วโมงทานก็ไม่ยอมให้เนี่ยจะเก็บข้าวไว้อย่างเงี้ยนะก็ได้ข้าวบูดเต็มหมอ้อเลยอ่นะ นะนานไมนานก็ดีนะหม้อสมัยใหม่ไม่ค่อยมีสนิมเนี่ยหม้อโบราณนั่ก็สนิมเคลอะเลยแหละมันเราก็เท่ากับได้เก็บข้าวบูดนะเพราะธรรมชาติของมันจะต้องแปรไปในที่สุดมันก็น้อมไปเพื่อที่จะสลับมหาพูดแต่แปลกว่าโลกเนี้ยนะใครยิ่งเอามันยิ่งยิ่งยากยิ่งบริจาคมันยิ่งได้มหาพูดมันมหาผีจริงๆเลยนะเราต้องรู้กฎเกณฑ์ของเขาเหมือนกันนะ ก็ในโลกนี้นะ ถ, ถ้าใครมีประสบะการณ์ชีวิตผ่านมานะเป็นคนบริทนีทีเนียวที่สุดถามว่าเขามีมากไหมมีมหาบริบูรณ์ด้วยมาหาพูดไหมแม้กระทั่งสำนวนว่าครอบครัวก็ไม่ยอมไม่ใช้จ่ายเอามาเก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็ บ, กบในที่สุดเจ้าของก็ตายหนีจากไอ้วัตถุอนันนั้นนะวัตถุอันนั้นก็เป็นของโลกทั่วไปใช่ไหมนั้นสมาทานที่จะบริจาควัตถุภายนอกมาพูดกับจาคะคือสละอกุศลที่มีออกไป เช่นสละราคะสละโทสะสละโมหะเนี่ยนะอันนี้ก็นับว่าเป็นจาคะส่วนสุดท้ายก็คือปัญญาปัญญาก็แบ่งเป็นวิปัสนาปัญญากับโลกุตระปัญญาคือมรรคปัญญาผลปัญญาโดยเฉพาะวิปัสนาปัญญานี่มองเห็นไหมเนี่ยนะก็ขึ้นมาเลยนะตามทวารต่างๆพื้นฐานการสาธยายโลกะนิโรทสูรนี่จะช่วยเราไว้ยเยอะเนี่ยนะ เราให้เห็นความเป็นไปของวัตตะและเววัตะเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นบ่อยๆก็มาพิจารณาถึงว่าจักขู่ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงจักขูวิญญาณไม่เที่ยงจักขู่สัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงแม้ในอดีตจักขูก็ไม่เที่ยงแม้ในอดีตรูปก็ไม่เที่ยงแม้ในอดีตจักขูวิญญาณก็ไม่เที่ยงเะนะี่ แม้ในอนาคตรูปก็ไม่เที่ยงแม้ในอนาคตจกคักรโคก็ไม่เที่ยงแม้ในอนาคตจกคักรโควิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นต้นนะก็ทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตภายในภายนอกท่านน้อมมาพิจารณาอย่างนี้อันนี้ก็นับว่าเป็นปัญญาปัญญาตัวนี้ต้องสมาทานขึ้นนะสมาทานเพื่อให้ความประพฤติคือปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นคนที่ให้ทานโดนดา่านี่มีไหมครับให้ทานแล้วโดนดา่า ก็เอาไว้คุยทีหลังก็แล้วกันเพราะว่าปัญหาอะไรเอยอย่างเงี้ยนะเอาไว้คุยไว้หลังผ้อลูกอมแจง่กันโดนวิสาวดา่านั่นแหละนั่นแหละเอาไว้ก่อนเลยไม่เข้าเรื่องกนะันเลยนยอุสายยกมือขึ้นนุสานุ ญ, ญา ต, ตที่หายหมดจากพูดถึงเรื่องทานแล้วผมถามไปทานเรื่องใะทานกุศลธรรมเนี่ยนะใ ห, ให้สมท า, านขึ้นถ้าผู้ใดสมทานกุศลธรรมห้าประการดังกล่าวไปเนี่ยนะ อันนั้นเป็นเหตุที่ทำให้พ้นจากชราและมรณะไอตัวนี้เนี่ยเป็นยานที่จะนำออกจากชราและมรณะเป็นยานพาหะนะนนนเป็นตัวพาหะที่นำออกจากชราและมรณะนะเพราะฉะนั้นในในทุกๆอารมณ์ที่เราเห็นเราได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะเราต้องหมั่นมณนิศการถึงกูรูุรธรรม5ประการนี้ไว้ก็ยังดีนะอะไรบ้างนะทวนนะั่หนึ่งศรัท ธ, ธาสมท า, านประพฤติศรัท ธ, ธาสอง สีลสสุตะ4จากะ5ปัญญ า, ญญาถ้าบวกอริยทรัพย์เขามีอีกสองอย่างคือฮิริกะโอตตะเนี่ยนะนี่คืออริยทรัพย์ในในพราศาสนานี้อย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้านามว่าสักกะเนื่องจากว่าพระองค์มีทรัพย์เหล่านี้มากเนี่ยนะังนั้นผะูนน้ที่ฟังทรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหมั่นสมาทานประพฤติกุโสลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะ อันนี้เรียกว่าอยู่ในกลุ่มพาเวตประธรรมที่จะต้องเจริญการพูดถึงชราและมรณะโดยทั่วๆไปนั้นโดยมากจะพูดแค่ปริญญาธรรมใช่ไหมเพราะคำว่าชรามรณะเนี่ยถ้าโดยศั์ตรงๆแล้วเป็นปริญญาธรรม น, น, นชรา ศั์นี้เป็นสัพที่กว้างทั้งหมดเลยนะใช้ได้ทุกคนทุกแห่งทุกที่ทุกการทุกเวลาและทุกบุคคลก็คือทั้งหมดนั่นก็คือชรากับมรณะซึ่งโดยทั่ ว, วไปก็นิยมเรียกคำว่าธรรมชาติบ้างธรรมดาบ้างเนี่ยนะก็มีมี ม, ม, ม, มีพูดพูดกันอยู่เท่านี้นะแต่นี้พูดเฉพาะส่วนที่เป็น ปริญญาโดยที่ไม่รู้ว่าคำเหล่านี้คือเป็นปริญญาธรรมใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าสอนให้หยุดอยู่เท่านี้ไหมก็ไม่หยุดใช่ไหมต้องมั่นไปพูดไปที่ประหาตับพธรรมการพูดชารานะมันเป็นคำที่บอกประหาตับพระธรรมอยู่ในตัวอยู่แล้วการพูดชารานี่เรียกว่าประกาศทุกคลักษณะเท่ากับละโลภะ ถ้าประกาศมรณะคือประกาศอ น, นิจจังอ น, นิจจังเพื่อละอะไรโมหะหรือมาณนะก็ได้นก็ละโลภะโทสะโมหะมาณนะนั่นเอง น, นอง่ถ้าถ้าจะละโลภะโทสะโมหะได้มันต้องแจ้งอีกสิ่งหนึ่งนะมันต้องบรรลุอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าอาสังขตาธาตุนั่นเ อันนี้เป็นสัจชิกาตประธรรม น, นะแล้วทั้งนั้นทั้งนี้เนื่องว่าชรามรณะเราทำปริญญาแค่ไหนล่ะเพราะว่าวัตถุเดียวกันเนี่ยอากุศลจะเกิดหรือไม่อยู่ที่ว่าถ้าโยนิโสมนสิการเกิดในเมื่อมีชรามรณะเป็นอารมณ์ถ้าโยนิโสมนสิการเกิดตรงกันข้ามข้างล่างจะเป็นอโลพะ เนี่ยนะกับโมหะเนี่ยนะอโลพาอาโทสะจะเกิดขึ้นชรามรณะเนี่ยนะมันมันโดยทั่วๆไปแล้วเน้นไปที่ชาติาวิบากหมายถึงวิบากกับกรรมชรูปเนี่ยนะชรามรณะเน้นไปที่วิบากกับกรรมชรูปวิบากกรรมชรูปตัวชรามรณะอันนี้เป็นอัภยากตะธรรม เมื่ออยโยนิโสมนสิการเกิดอยโยนิโสมนสิการเกิดโลภะโมหะก็ก็เกิดถ้าโยนิโสมนสิการเกิดอโลภะก็เกิดอะโมหะก็เกิดขึ้นอยู่ที่ว่ามานสิการอย่างไรกับกับสิ่งนั้นเห็นไหมก็เหมือนสมมุติในอย่างที่ว่าถ้าเห็นผู้การปั๊บเนี่ยมนสิการให้ภาปกับโมหะเกิดก็ได้ใช่ไหมมนสิการให้โลภะเกิดยังไง เช่นโอ้ดีเนะี่เขามียศมีตำแหน่งอะไรก็คีดไป ต, ตามเรื่องแบบแบบชาวโลกทั่วทั่วไปใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโลภะถ้าโมหะก็อย่างนั้นก็โมหะอยู่ในตัวอยู่แล้วละ่ะทีนี้ถ้ามองตรงกันข้ามแบบลักษณะของอโลภะนี่กวัตถุแห่งชารากับมรณะเนี่ยนะวัตถุแห่งชารากับมรณะถ้าเราก็ตามผู้การก็ตามไม่แทงตลอดอาสังฆตธาตุนะ ชรามรณะมีอยู่มีอยู่ร่ำไปเพราะน้ต้องมองให้เห็นอันนี้เป็นพาเวตประธรรมนะซึ่งอยากจะขอเน้นตรงนี้ให้มากๆเพราะว่าถ้าเรียนสติปัฏฐานทั้งหมดหรือเรียนอะไรไปก็ตามนะประมวลเหลือแค่นี้ไม่ได้นะก็โอ้มีอยู่พระรูปหนึ่งนะเคยใช้บอกว่าท่านเชื่อช้างครูบาช้าง แสดงทําให้โยมฟังหน่อยที่เขบอกว่าแต่ชื่อจริงๆเขาชื่อเหมือนกันกันมาเลยแต่เราก็ใช้ชื่อเล่นๆกันนะนี่ยชื่อชื่อที่ชาวบ้านก็รู้ๆกันนะก็คือท่านชื่อครูบาช้างประเทศไหนก็บอกพร้อมเทศไม่ได้เราก็พูดไปก็น้นําท่วมทุ่ว ม, ว ม, วมพักบุ้งลงเลงเขาบอกงั้นไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรนะสรุปว่าจับใจความไม่ค่อยได้การเรียนถ้าทำเหมือนกันนะถ้าเรียนไปมากจนกําหนดอะไรไม่ได้เลยนี่ก็ ก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยแหละเพราะธรรมชรามรณะเป็นตัวแทนของกายเวทนาจิตธรรมะเนี่ยนะ